ชุดที่สามแล้วชุดที่สี่แล้วเราก็มีอยู่ชุดเดียวเนี่ยชุดนอนชุดกินชุดเที่ยวชุดบินสบายชุดเท่ญาติโยมต้องหลายชุดชุดนอนชุดชุดเช้าชุดกลางวันชุดลำลองชุดทำงาน หลายชุดแล้วกินทำไมไปวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระนะเรื่องที่เป็นสาระก็ไม่วุ่นวายกันอเรื่องสติไม่เห็นวุ่นวายกันเลยให้มีสติเช้าสติเย็นสติให้มีสติตลอดเวลามีกามาเปลี่ยนชุดนั้นเปลี่ยนชุดนี้กัน เหนื่อยไวหรือเปล่ า, าได้ไรหรือเปล่าไดสติแล้วใจจะเย็ยนใจจะสะงบใจจะสบายใส่ชุดไหนก็ได้เหมือนกันมาเอาสติกันดีกว่าสตินี่เป็นธรรมสำคัญได้สติแล้วจะได้นิพพานอย่างแน่อนอน ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีในมาสติปทานสูตรพระเจ้าบอกให้มาเจริญสติสติแล้วใจจะใจจะไม่พยศใจเหมือนม้าป่าถ้าเราไม่มีบางเห็นมางคอย จับมาสั่งมันมันไม่มันไม่ฟังมันนึกอยากจะพยศก็พยศแต่ถ้ามีบางเห็นมามาใส่ปากมาแล้วเวลามันพยศก็ใช้บางเห็นดึงมันพอมันเจ็บมันก็หยุดเี่ยมาที่เขาสั่งให้มันทำอะไรได้ก็เพราะเขามีเครื่องควบคุมบังคับมัน สัต์ที่ก็เอามาฝึกในละครสัตว์เนี่ยใช่หไหมเขามีแส่คอยคอยกำกับมันพอมันออกนอกลูก่นอกทางก็ใช้แส้โหดพอมันโดนโหดปับ๊บมันก็ไม่ออกนอกลูก่นอกทางใจเราถ้าไม่มีสติคอยกำกับมันก็ชอบออกนอกลูก่นอกทาง ชอบไปที่นู่นชอบไปที่นั่นไม่ชอบอยู่ที่นี่ร่างกายอยู่ที่นี่แต่ใจไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปได้ครอบจากประวาลไปแล้วก็อยากก็เลยต้องลากร่างกายไปพอไปถึงตรงนู้นมันก็กลับมาคิดถึงตรงนี้อยากจะกลับมาตรงนี้ก็ต้องลากร่างกายกลับมาอีก ถ้าเราลากใจไว้ที่ผูกใจไว้ที่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ไปไหนนะสบายถ้าไม่ผูกใจไว้ใจมันก็จะหลอกแล้วตรงนู้นดีตรงนี้ดีอไปออกไปถึงตรงนั้นอะตรงนี้ดีกว่ากลับมาใหม่เี่ยถ้าไม่มีบังเหียนไม่มีสติคอยบังคับใจ ใจมันก็จะคิดคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิรแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอย า, นนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนูน่นอยากมานี่เรามาวุ่นกับเรื่องการเจริญสติดีกว่าเสื้อผ้าใส่เป็นชุดเดียวหรอือว่าจะมีสติอยู่ดีกว่ามีความสุข มีสติแล้วจะมีความสุขใส่ชุดไหนก็ก็มีความสุขถ้าไม่มีสติแล้วใจมันก็หลอกเราชุดนี้ก็ไม่ดีใส่แล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนต้องใส่ชุดนั้นใส่ชุดนั้นแล้วเดี๋ยวก็ไม่ดีใส่ชุดนั้นต่อถ้ามีสติแล้วมันชุดไหนก็ดีเท่านั้นมีสติบอก มีสติก็จะกากับกิเลสได้ควบคุมใจได้ควบคุมกิเลสความโลภความอยากได้ควบคุมความหลงได้ ม, มีสติแล้วใจก็เย็นสบายมีความสุขเอามีความสุขก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการเปลี่ยนชุดนั้นเปลี่ยนชุดนี้การไปที่นั่นมาที่นี่ ไปที่ไหนก็สู้สู้อยู่ที่ความสงบไม่ได้หรอกความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไที่ไหนก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขสุ ข, สขด็กดิบเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเบื่อแล้วก็อยากจะกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเดี๋ยวก็เบื่อบ้านเบื่อบ้านก็ต้องออกนอกบ้าน ออกไปสักพักเดี๋วเหนื่อยก็อยากจะกลับบ้าน ใ, ใจหลอกเราตลอดเวลาดิเลตหลอกให้เรากิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกลูกฟุตบอลดูคนนั้นเตะคนนี้เตะความคิดนี้เตะไปทางนูน้นความคิดนี่เตะมาทางนี้เรื่องของการไม่ควบคุมความคิดทั้งนั้นะ ปอให้ความคิดมันสั่งเราเราคิดว่าเราเป็นคนสั่งความคิดแต่ความจริงความคิดเนี่ยมันเป็นคนสั่งเราสั่งให้เราทํานู่นทนํานี่โดยหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นคนคิดแต่ความจริงเราควบคุมความคิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราคิดเราก็ต้องหยุดคิดได้ไง ถ้าเราเป็นคนคิดเราถึงเวลาอยากจะหยุดคิดเราก็ต้องหยุดคิดได้ทำไมเวลาอยากจะหยุดคิดมันหยุดไม่ได้คิดอยู่นั่นเน่ยยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งไม่อยากคิดก็ยิ่งคิดใหญ่เราไม่ได้เป็นคนสั่งให้มันคิดกิเลสเป็นเป็นตัวสั่งให้มันคิดอวิชชาปัจจยาสังขารนี่อวิชชาความหลง ความหลงนี่ก็คือกิเลสตวัวใหญ่ตัวพ่อแม่ความหลงนี่คือพ่อแม่ของกิเลสพ่อแม่ของความโลภพ่อแม่ของความโกรธความโลภนี่เป็นลูกของความหลงความโกรธนี่เป็นหลานของความหลงต้องหลงก่อนพอหลงแล้วก็โลภหลงว่าโอ้คนนี้หล่อแล้วคนนี้หน้าสวยงามหน้าเอามาเป็นแฟน พอหลงละหลงรักเขาละหลงรักก็โลภแล้วอยากจะได้เขามาเป็นแฟนนะพอไม่ได้เขามาเป็นแฟนก็โกรธนะเห็นไหมเนี่ยเป็นลูกหลานตามมาเลยพ่อแม่ก็คือความหลงหลงว่าไอ้นั่นดีไอ้นี้ดีพอเห็นว่าดีก็อยากได้อยากได้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเสียใจ ใช่ไหมเป็นพ่อพ่อแม่คือความหลงผลิตลูกคือความลูกแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธก็ผลิตล้านออกมาลูกล้านถ้าเราอยากจะแก้เราไปแก้ที่ตัวพ่อแม่ตัวความหลงพระเจ้าบอกแล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ดีเพราะมันไม่เทีย่ยง มันไม่ได้เป็นของเราแต่ตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปเวลาเสียไปก็ทุกข์ไม่ดีแล้วใช่ไหมเนี่ยให้คิดอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการจะแก้อวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงอวิชชาความไม่รู้ว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์สัพเพสังขารทุกข์ขา ของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของเป็นทุกข์ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ถ้ารู้ว่ากาแฟดิ่มแล้วเป็นมะเร็งต่อไปอยากจะใครอยากจะดื่มไหมตอนนี้ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็เลยดื่มกัน เมื่อก่อนสูบุรี่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเสียหายเขาก็สูบเป็นแล้วตอนหลังเขามาพบว่าสูบุรี่มากม า, กมากแล้วทำให้เป็นโรคบอดถุงลมป่งพองเป็นมลเร็งในปอดอขนาดรู้ก็ยังไม่ยอมหยุดอ่ะให้ดูอํานาจของความหลงของความอยางนี่ยพอมันติดแล้วมันเลือกยาก อ า, าวุธเจ้าก็บอกเล่าว่ารูปเสียงกลิ่นรสพุทธภานี้เป็นทุกข์แต่เรายอมเลิกเลิกเลิกดูเลิกฟังไม่ยอมเลิกยังอยากดูอยากฟังอยากริ้มรส ด, ดมกลิ่นยังอาจจะสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บอกว่าเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นเห็นแต่สุขเพราะเวลาได้สัมผัสแล้วมันสุข เวลาได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นแล้วมีความสุขแต่ไม่มองเวลาที่ไม่ได้เวลาอยากก็ไม่ได้นี้มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เวลาได้มาแล้วมันหมดไปแล้วเป็นยังไงความสุขหายไป<ม>ดื่มกาแฟนี่เวลาดื่มมีความสุข<ม>เดี๋ยวสักครั้งหนึ่งความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟก็หายไป ความอยากดื่มกาแฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่ได้ดื่มก็ทุกข์หยุดดื่มไม่ได้เดิมถ่วนี้ถ้ามันเป็นความสุขจริงมันต้องดื่มถ้วยเดียวแล้วก็สุขไปตลอดอิ่มไปตลอดคือไม่อยากจะดื่มอีกแล้วเดิมถ้วยเดียวเดิมแล้วก็สุขแล้วมันก็อยากจะความอยากดื่มกาแฟมันก็หมดไปแล้ว มันก็อยากมันก็หมดไปเดียวเดียวตอนที่ได้ดื่มกาแฟตอนนั้นอยากดื่มไม่ไม่อยากยตอนที่ดื่มกาแฟแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวสักสองสามชั่วโมงจางหายไปล้วอยากจะได้อีกถ้วยอย่างนียทุกอย่างเป็นอย่างนี้เป็นความสุขเดียวเดียวแบบควันไฟมันสุขจริงแต่มันสุข มันสุขไม่นานแล้วมันพอมันหายไปแล้วมันทำให้เราทุกข์กันทำให้เราต้องไปหามันใหม่แล้วมันต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องหาไม่ได้มันก็มีหลายเหตุของที่เราอยากได้อาจจะไม่มีขายแล้วก็ได้กาแฟอาจจะหมดไม่มีขายแล้วร้านกาแฟปิด อยากจะกินกาแฟพอดีไปถึงร้านกาแฟก็เปิดแล้วก็ไม่ได้กินหรือร้านกาแฟเปิดแต่ไม่มีเงินซื้อกาแฟหรือร่างกายไม่สบายเรือไม่ได้มันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ ท่านให้มองอย่างนี้ให้มองว่ามันเป็นความสุขแบบล้มลุกคุก ค, คานมันไม่ได้เป็นความสุขยั่งยืนเดือมหนเดียวดูหนเดียวแล้วก็สุขไปตลอดไม่มีวันชิ่นสุดเนี่ยท่านถึงว่ามันไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวความสุขประเดียวปกะดาวพอมันหายไปใจเราก็อ้างว้างขึ้นมาเปล่าเปลี่ยวขึ้นมาว้าเหวขึ้นมา หงุดหงิดขึ้นมาลำคาญขึ้นมาก็เลยต้องไปหาใหม่หารูปเสียงกลิ่นรสใหม่หาเท่าไหร่ก็มาเจอแบบเดียวกันหาได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวก็จางหายไปจางหายไปก็ต้องหาใหม่พระพุทธเจ้า บ, บอกมาหาความสงบดีกว่า<ห>อันนี้แหละพอมันสงบแล้วมันก็สงบเลยมันก็สุขเลย ได้นานกว่าแล้วเรามีสติเราก็สามารถาผลิตความสุขนี้ได้ตลอดเวลาแล้วสตินี้ก็ไม่ต้องใช้เงินซื้ อ, อความสงบนี้ก็ไม่มีขายที่ไหนไม่มีขายตามร้านาราคาก็ไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงสินค้าทางโลกนี้ถ้าขายดีก็ มันก็แพงขึ้นไปราคาก็แพงขึ้นพอคนต้องการมากมันก็เพิ่มราคา่ไม่ทองคำเนี่ยเวลาคนอยากจะซื้อกันมากๆราคามันก็แพงขึ้นไปนี่เลยเอาสติเนี่ยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายไม่สบายนอนอยู่บนเตียงก็พุทโธได้สร้างสติขึ้นมาได้ ดูลมหายใจไปอย่าด้วยหยุดคิดเท่านั้นถ้าเราหยุดคิดได้ก็แสดงว่าเรามีสติแล้วถ้าเราสั่งว่าไม่คิดตอนนี้ไม่คิดให้รู้เฉยๆทำได้ไหมหรู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้รู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เฉยๆ ถัารู้เฉยๆไม่คิดอะไรใจมันก็จะว่างปราศจากความโลภความอยากพอไม่มีความโลภความอยากใจก็เบาสบายที่ใจเราอุดอัดหนักอกหนักใจก็เพราะความอยากนี่แหละพออยากอะไรขึ้นมาล้วก็รู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาอยากให้เขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทาก็หนักอกหนักใจขึ้นมา อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ขึ้นมาก็หนัก อ, อกหนักใจแต่ถ้าทำใจให้ว่างแล้วใจไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ไม่หนัก อ, อกหนักใจความอยากนี่เหมือนภูเขาทับใจเราไว้ทับ อ, อกเราไว้พออยากขึ้นมาแล้วรู้สึกมันหนักไปหมดเลยพอใช้พุโทโธทำลายมันปับ๊บพอมันหายไปปับ๊บใจว่างใจเบา ใจเย็นใจสบายใจมีความสุขอันนี้ะดีกลับไปซื้อกาแฟมาดื่มดีกลับไปเช่าวีดีโอมาดูดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปทำอะไรต่างๆที่คนเขาทำกันอยู่ทุกวันทำก็ต้องหาเงินหาทองไม่มีเงินทองก็ทำไม่ได้ เราต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทองเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ต้องทาเหน็ดเหนื่อยกับเจ้านายที่มาคอยจี้มาคอยควบคุมพอทาให้ควบคุมเราก็ทะเลาไหลไม่ทำงานให้เขาอีกเขาก็ต้องมาจี้มามาบีบเราเหมือนกับมาถ้าเราเป็นส้มก็เหมือนก็ บ, บีบน้ำของเราออกมา งานของเราก็เป็นน้ำส้มเนี่ยเขาต้องมาบีบถ้าเราไม่ถ้าไม่บีบส้มน้ำส้มมันก็ไม่ออกจากส้มคนงานลูกจ้างถ้าไม่คอยบีบคอยใช้มันมันก็ไม่ทำงานมันก็นั่งเฉยๆผลงานก็ไม่มีลูกจ้างก็ไม่ชอบบีบชอบนั่งเฉยๆชอบทำอะไรสบายทำก็ทำแบบสบายสบาย อันนี้ก็คือเรื่องของความอยากทำให้เราต้องไปเจอกับปัญหาต่างๆเจอกับความทุกข์ต่างๆเจอกับเรื่องราวต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ่ซึ่งพุทโธพุทโธอยู่บ้านคนเดียวสบายไม่ต้องไปยุ่งกับใครใจว่างแล้วใจสบายไม่หนักอกหนักใจ ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเนี่ยสติเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเจีได้สติซื้อไม่ได้นะถ้าซื้อได้ม า, าเสถียรคงซื้อกันก่อนนะซื้อสติกนะันม า, าเสรษยีก็ซื้อสติไม่ได้ แล้วคนที่จะได้สติมักจะเป็นคนขอทานใช่มากกว่าคนขอทานกับพระเนี่ยพวกขอบินสบาดเนี่ยพวกนี้จะมีเวลาสร้างสติได้มากที่สุดเพราะไม่ต้องไปทํางานอะไรตัวขอทานข้างถนนถ้ามันฉลาดมันก็เอาเวลามาันเจริญสติได้เพราะวันมันไม่ต้องนั่งน่ะมันไม่ต้องทำอะไรนั่งเฝ้ากะลา นั่งเฝ้ากระป๋องนั่นเองเออมันก็นั่งพุโทโธพุโทโธไปมันก็สบายเ <Yeah. S 1> อ่อถ้าขอทานบางคนมาฟังเทศฟังธรรมอาจจะเอาไปใช้ก็ได้นะนั่งขอทานไปกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป <Yeah. S 1> นั่งหลับตาไปเดี๋ยวลืมตากระป๋องก็เต็มขึ้นมาอ้าวถ้านั่งหลับตาคนเห็นอาจจะ อาจจะศรัทธาก็ได้ข อ, ข อ, ขอทานวันนี้มันเคร่งไว้นั่งเฉยๆนั่งขัดสมาพุทโธพุทโธไปคนเห็นก็อ่ะหยอดเหรียญเข้าไปหยอดเหรียญเข้าไปน่าเจะจับขอทานมาอบรมสมาธิ <laughs> เดี๋ยวมันก็บวชกันหมดอ่ะถ้ า, าอบรม ก็ไม่รู้ว่าอ๋อพากก็เป็นขอทานดีๆ <c oughs> แต่เป็นแต่ขอทานมีเกียรติขอทานมีศีลขอทานมีมารยาท <c oughs> ขอแบบไม่ไม่ไม่รบกวนใคร <c oughs> ขอแบบเงียบๆ <c oughs> <c oughs> ขอแบบไม่ได้เอ่ยปากขอ <c oughs> ใครอยากจะให้ก็ให้ใครไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไร <c oughs> ไม่รบกวนใจใคร แล้วก็ไม่ลักขโมยเงินของใครขอทานนี่ไม่แน่ถ้าเกิดใครเผลอก็อาจจะขโมยเงินเขาได้แต่ถ้าขอทานแบบพระนี่จะไม่ขโมยเป็นขอทานที่มีศีลมีศัตว์ไม่โกหกหลอกลวงใคร <c oughs> พระก็ไม่ต่างกับขอทานตองที่ว่าต่างกันตรงที่ศีลละศีลละธรรม ขอทานจะไม่มีศีลธรรมเขายัางยังโกหกหลอกลวงยังเดือดชัวร่ายามเมาได้เงินที่เขาให้ทานมาเดี๋ยวเย็นๆก็อาจจะไปซื้อเหล้ากินกันก็ได้แต่พระได้บินฑบานแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ไม่ไปกินเหล้าต่อไม่ไปนั่งเล่นทไานกันต่อพระก็ไปนั่งสมาธิกันต่อไปเจริญสติพุธโธพุธโธ หน้าที่ของผ้ามีอย่างเดียวให้สร้างสติขึ้นมาให้พุทโธกันทั้งวันพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าพุทโธได้ก็ควบคุมใจได้ควบคุมความอยากได้ควบคุมความโลดความโกรธความหลงได้ก็หลุดพ้นได้ไปนิพพานได้สติไว้ควบคุมใจปัญญาไว้สอนใจ ให้สอนดูว่าตัวที่ทำให้เรามีปัญหากันก็คือตัวโลภเนี่ยตัวอยากนี่ถ้าหลุดตัวหยุดตัวโลภหยุดตัวอยากได้ก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปอยู่อย่างสบายอย่ า, ยาไปเสียเวลากับการหาอะไรเลยหาพุทโทธดีกว่าหาสติกันดีกว่าสร้างสติกันดีกว่า มีสติแล้วจะได้ของที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเงินทองร้อยล้านพันล้านนี่สู้การมีสติไม่ได้การมีสติจนทําให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็จะได้ความสงบความสุขที่ มีคุณค่ามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถซื้อความสงบได้ไม่สามารถซื้ออปปนาสมาธิได้ถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วจะได้ความสุขระดับนิพานจะเป็นนิพานตัวอย่างเพราะว่ายังไม่สงบตลอดเวลา ถ้าสงบตลอดเวลาก็จะเป็นนิพพานการที่จะทำให้สงบตลอดเวลาก็ต้องกำจัดความโลภความอยากที่จะคอยที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิพออจากสมาธิมาเพระอยากดืงม ก, ก็แฟกไม่ดิงมอยากดูวีดีโอไม่ดูอยากจะฟังเพลงไม่ฟังอยากไปชอปปิง้งไม่ไป เผือความอยากทุกอย่างไปเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกำลังไปต <c oughs> ทีนี้พอไม่มีความอยากไม่มีความโลภแล้วมันอยู่เฉยๆมันก็สงบ <c oughs> ทำอะไรมันก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบนั่งก็สงบทำมางานอะไรก็สงบ <c oughs> ใจมันไม่สงบเพราะความโลภความอยากความโกรธ <c oughs> อันนี้ ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดปัญญาเป็นเหมือนคนชี้เป้าให้รู้ว่าใครเป็นข้าศึกตรอของความสงบส่วนสติเป็นผู้ดึงใจให้หยุดเป็นเบรกปัญญาเพียงบอกว่าถึงไฟแดงแล้วนะต้องหยุดนะแต่ถ้ารถไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้ป่าไฟแดงชนกัน สตินี้เป็นเหมือนเบรกพอปัญญาบอกให้เบรกสติก็เบรกได้ถ้ามีสติก็หยุดได้แต่ถ้ามีสติหยุดได้แต่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ไหนมัน ก, ก, ก็ถึงเวลาโลภเวลาอยากถึงเวลาคนรจะหยุดก็กลับไม่หยุดเพราะไปคิดว่าดีโลภแล้วดีอยากแล้วดีได้อะไรมาแล้วดีมีความสุข อันนี้เลยต้องใช้ปัญญาสอนว่าได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกข์ไม่ใช่สุขสติทําหน้าที่หยุดใจ ป, ปัญญาเป็นผู้บอกให้หยุดตอนไหนตอนไหนควรหยุดตอนไหนไม่ควรหยุดถ้าไม่มีปัญญากิเลสมันจะหลอกให้หยุดตอนที่ไม่ควรหยุดให้ทําในตอนที่ไม่ควรทําเช่นอ เวลาอยู่กับใคร เ, เวลากินนี่ไม่ให้หยุดกินเวลาทำงานนี่ให้หยุดทาเวลาเขาทำงานตัวเองไปนอนใช่ไ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้แล้วไม่มีปัญญา <c oughs> ปัญญาแบบกิเลสไง <c oughs> พอถึงเวลากินนี่มาพร้อมหน้าพร้อมตาพอถึงเวลาทำงานเวลาล้างชาหายหมดเวลาเก็บกวาดหายหมด อันนี้เรียกว่ากิเลสถ้าเป็นปัญญาปัญญาจะบอกอ่าเวลานี้ต้องหยุดนะเวลานี้ต้องทำํำเวลาโลภต้องหยุดเวลาอยากต้องหยุดเวลาโกรธต้องหยุดเพราะมันทําให้ใจเราร้อนทําให้ใจเราทุกข์กัน <c oughs> แต่ถ้าปัญญาบอกแล้วแต่ถ้าไม่มีสติก็หยุดไม่ได้อย่างพวกเรานี่รู้กันมีปัญญากันทุกคนแล้ว หรือว่าโลภโกรธหลงไม่ดีแต่เวลาโลกนี้เคยหยุดมันไหมไม่เคยไม่มีสติหยุดมันเวลาอยากนี่หยุดมันมเวลาอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องคิดเรื่องนี้หยุดมันได้ไหมหยุดมันไม่ได้ด้นมันต้องมีทั้งสองอย่างสติปัญญาถ้ามีสติปัญญามันก็จะทำให้สามารถหยุดได้เวลาที่ต้องการจะหยุด งั้นตอนตอน้ตนต้องมามาสร้างสติก่อนเพราะปัญญาตอนนี้เราก็มีแล้วเราฟังเทศฟังธรรมกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยธรรมะบนเขาเนี่มีอยู่ทุกวันถ่ายทอดสดทุกวันปัญญาก็สอนแล้วว่าโรคกดหลงไม่ดีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ดีต้องหยุดมันต้องละมันแล้วหยุดมันได้ไหยหยุดไม่ได้ ก็ไม่มีสติอะไรต้องมาสะเจริญสติก่อนเหมือนรถเ่รถไม่มีเบรกนี่มันก็จะหยุดได้นะ เ, เวลาไม่มีเบรกนี่เรากล้าขับรถไปข้างนอกบ้านไหมขับไปเดี๋ยวก็ถึงไฟแดงก็ฝ่าไฟแดงไปหยุดไม่ได้รถยนต์ น, น, น, นี่ถ้าไม่มีเบรกไม่มีใครกล้าขับไปข้างนอก ขับไปก็ต้องชนแน่นอนแต่ใจเราไม่มีเบรคแต่เรากลับกล้าไปไหนมไหนกันนะ <c oughs> แล้วไปแล้ได้เลยได้แต่ความทุกข์ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปมีเรื่องกับคนนั้นมีเรื่องนน <c oughs> ก, กับคนนี้เดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนนั้นไปทะเลาะคนนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ไปรักทรัพย์เดี๋ยวก็ไปประพืชผิดประเวนี เดี๋ยวก็ไปโกหกหลอกลวงอันนี้ก็เรื่องไม่มีสติปัญญามีรู้ว่าโกหกไม่ดีรู้ว่ารักทรัพย์เขาไม่ดีแต่พอเกิดความอยากจะรักทรัพย์ขึ้นมาเนี่ไม่มีเบรกหยุดมันมเห็นใครเผอวางโทรศัพท์รุ่นใหมนะ่เห็นแล้วมันอยากได้ตัวเองไม่มีปัญญาพอก็เผอหน่อยก็หยิบไปเลย ไม่ใช่พวกนี้ไม่มีปัญญานะมีรู้ว่ากมยไม่ดีแต่ไม่มีสติพออยากได้แล้วมันห้ามใจไม่อยู่พอมีโอกาสมีช่องก็เอาเลยพวกเราทุกคนมีส่วนใหญ่มีปัญญาทั้งนั้นนะอยู่เมืองพุทธได้ยินได้ฟังเทศอยู่ด้วยพระเทศวันพระศีลห้าข้ออย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์ อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่ากโกหกหลอกลวงอย่าดื่มชุรายาเมาแล้วเป็นยงไง ร, รักษาเสียงกันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสติหยุดมันไม่ได้พออยากจะฆ่ายุงก็ตบปุ๊บเลยเพอมาแตะเนี้อ แ, แตะหนังหน่อยก็พุบเลยตบปัะเลยสติไม่มีความอยากมันเร็วกว่าความอยากตบยุงมันเร็วกว่า เห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าก็อยากได้ปุ๊บไปเลยยิ่งสมัยนี้ออนไลน์ยิ่งง่ายใหญ่กดกดซื้อปับ๊บจ่ายเงินปับ๊บเขียนบัตรเครดิตปับ๊บเดี๋ยวมาแนละ้วซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งออนไลน์กันสบาย ่ปัญญามีไม่มีใครไม่มีปัญญากันฟังที่ฟังธรรมกันนี่แสดงว่ามีปัญญาแล้วเรียกว่าสุตตะมายาปัญญาปัญญาขั้นต้นก็คือสุตตะปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ครูอาจารย์ก็จะสอนบอกให้ทาทานเนี่ยทานที่ทาทานเอาเงินไปเที่ยวกันแทน กาที่จะทำทานเอาเงินไปซื้อขนมกินเงินการที่จะทำทานก็เอาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่กัน <c oughs> <c oughs> ให้รักษาศีลก็ไม่รักษากันให้นั่งเฉยๆให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ทำเงินทำไมมันทำไม่ได้เลยของพวกนี้มันยากตรงไหนวะ <c oughs> มันสู้ความโลภไม่ได้ความโลภอยากจะซื้อของระหว่างซื้อของกับจะทําบุญเนี่ยอย่างนั้นจะชนะกันระหวาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยรุ่นล่าสุดเพิ่งออกมาเนี่ยกับเอาไปทําบุญเนี่ยจะเอาไหนดีคะพระอาทธเจ้าสอนให้ซื้อโทรศัพท์มือถือหเปล่ า, า <laughs> สอนให้ทําบุญไม่แย่นะ เราไปซื้อเหรอทำไมเครื่องเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าของเก่ามันเสียใช้ไม่ได้ยังมีเหตุมีผลเครื่องเก่านี่มันก็เครื่องใหม่ไม่ใช่เลยตอนที่ซื้อมันตอนที่เอามาใหม่ๆก็ใหม่ไม่ใช่ตอนที่ซื้อมันก็อยากจะซื้อมันไม่ใช่เลยอยากจะได้มันไม่ใช่แล้วตอนตอนนี้เบื่อมันแล้มันก็ไม่เลยเปลี่ยนแปลงมันก็ยังใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิม ปัญญามีไม่ใช่ไม่มีเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแสดงว่ามีปัญญาแล้วมีสุตตะม่ยะปัญญาแล้วแต่ลืมไม่ใช่ลืมพอฟังเสร็จแล้วก็ออกพอออกจากที่นี่ไปก็ไม่คิดถึงมันเลยจำไม่ได้เหมือนไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนท่านนึงสอนว่าให้เอาับาพิจารณาอยู่เนืองๆจะได้เกิดจินตามายะปัญญาขึ้นมาปัญญาขั้นที่สองคือรักษาสุด รักษาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังไม่ให้หลงไม่ให้ลืมถ้าเราไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมพระเจ้าบอกให้ทำบุญนะไม่ใช่ให้ไปซื้อกระเป๋าไปซื้อรองเท้ า, าไม่ให้เอาเงินไปเที่ยวไปเล่นกันให้เอาเงินมาทำบุญกันทำทานาถ้าจะซื้อของซื้อได้แต่ของจาเป็นของที่ถ้าไม่มีแล้วต้องตายเงี้ยเช่นวันนี้ถ้าข้าวหมดนี่ต้อง ถ้าไม่มีข้าวกินตายไหมอ่าอ่างนี้ก็เราไปซื้อข้าวมาอ่าแต่ถ้าซื้อรองเท้ามาเนี่ยรองเท้ามีกี่คู่แล้วถ้าไม่มีไม่ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่มามันจะตายไหมอ่าไม่ตายก็ไม่จําเป็นอ่านี่คือวิธีใช้เงินอให้เอามาทําทานอหรือซื้อของจําเป็นจริงๆอ่าถ้าของไม่จําเป็นอย่าไปซื้อมันเลย ทำทานดีกว่าทำทานแล้วเหมือนกับเอาเงินไปฝากเงินธนาคารบุลตายไปก็เบิกใช้ได้ในสวรรค์เลยใช้ได้ในโลกทิพย์เวลาไม่มีร่างกายเราก็ต้องอยู่ในโลกทิพย์กันถ้ามีบุญเราก็เหมือนกับมีเงินเราก็ไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้ถ้าไม่มีเงินเราก็ไปเป็นขอทานในโลกทิพย์ต้องมารอรับส่วนบุญจากผู้ที่เขามีชีวิตอยู่ส่งบุญไปให้ส่ง ส่งเงินไปให้ทำบุญเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้จากการที่ไปซื้อของไม่จําเป็นต่างๆแล้วมันจะทำให้เราเลิกซื้อของไม่จําเป็นได้ต่อไปแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องลิ้นลนไปหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่มีเงินทําบุญต้องเก็บไว้ซื้อของจําเป็นก็ไม่ต้องทําไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อของอยากจะซื้อนี่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามันเมื่อมีความอยากแล้วมันไม่ได้ซื้อมันมันมันเครียดแล้วมันอึดอัดนะมันงหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาคนที่ไม่มีเงินพอใช้เลยต้องไปหาเงินแบบทําบาปแล้วสิ ไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงเป่นไปยืมเงินเขาเนี่ยก็ไปหลอกเขาแล้วขอยืมเงินนะเดี๋ยวสองวันจะมาคืนแล้วเคยเอามาคืนไนมะ่ไม่มีหรอก เ, เวลายืมนี่โหยพูดหน้าฟังแล้วก็นหน้าเชื่อแล้วกันใครโง่ก็ช่วยไม่ได้นะ ถ้าอยากจะคืนก็ต้องมีของล่อให้เขากลับมาเอาคืนเนี่ยมีที่ดินมไหมเอาที่ดินมาฝากเราไว้ก่อนได้ไหมเอาเงินไปอย่างเงี้ยเอเดี๋ยวก็ถ้าอยากจะได้ที่ดินเขาก็ เ, เงินมาคืนเราเองเนี่ยนะพวกเรามีปัญญาเนี่ยมาฟังธรรมนี่ก็ได้ปัญญาแล้วได้สุตตะมายาปัญญาแล้วได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแล้ว หรือว่าต้องทําอะไรนะหรือว่าต้องทําบุญหรือว่าต้องรักษาศีลหรือว่าต้องเจริญสติต้องพุโทโธพุโทโธแล้วเราไปทำกันหรือเปล่าไม่ได้ทําพราะลืมพอจากนี้ไปปั๊บก็คิดแล้วเดี๋ยวจะไปทําอะไรต่อเ ด, เดี๋ยวจะไปรับลูกเดี๋ยวจะไปอซื้อของเดี๋ยวจะไปทํานู่นทํานี่ลืมหมดเลยเรื่องที่ให้พอาจารย์สอนให้ทำํำ ถึงต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆทบทวนคำสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เป็นจินตามรยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากความคิดของเร า, าตอนเราเอาความคิดของเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามารับมาจากพระสอง์องค์เจ้าจากการฟังเทศสังธรรมแล้วเพื่อไม่ให้ลืมเราก็ต้องมาคิดอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรบ้างให้ใหทำบุญสอนให้รักษาศีล เราได้นั่งสมาธิเราให้เจริญปัญญาให้มีสติเราก็ต้องเอามาคิดอยู่เรืยเรเรามีสติไหมตอนนี้เราเจริญสติกันหรือเปล่าเรารักษาศีลกันหรือเปล่าเรายังโกหกอยู่หรือเปล่าเรายังตกอยู่ยังตีมดอยู่หรือเปล่ายัางฆ่ามดอยู่หรือเปล่าถ้าเราถ้ายังทําอยู่เราก็ต้องเลิกนะ เพราะว่าทำแล้วมันไม่ดีกับเราหรอกถ้ามันดีกับเราพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เลิกทำหรอกที่มันทำแล้วมันไม่ดีมันทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราเดือดร้อน <S S S S ทำให้เราใจของเราต้องไปติดคุกติดตารางในอบายถ้ายังไม่ตายก็ติดคุกติดตารางในคุกในตารางไปทำผิดกฎหมายผิดไปฆ่าคนเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกไปขโมยงเงินทองเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุก ก, กัน นี่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้ายังคิดแล้วยังห้ามไม่ได้ก็สแสดงว่ายังไม่มีเบรกรู้ว่าขโมยไม่ได้แต่พอเห็นแล้วมีช่องโอกาสขโมยก็เลยอดที่จะขโมยไม่ได้รู้ว่าไม่ควรโกหกแต่พอต้องโกหกก็หยุดไม่ได้สแสดงว่าไม่มีเบรกไม่มีสติ เราก็ต้องมาเจริญสติกันให้มีสติเบริความอยากจะทำบาปให้ได้ถ้าหยุดมันได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญาขั้นที่สามภาวนามยะปัญญาพอเราสามารถหยุดทำตามความอยากได้อยากจะฆ่าก็หยุดได้พอเห็นยุงมาปุ๊บแทนที่จะตกก็เขี่ยไม่เฉยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติมีภาวนามยะปัญญา สามารถหยุดความอยากที่จะตกอยู่ได้เห็นขวดเหล้าก็แทนที่จะไปหยิบมันมาก็ทุบทิ้งเลยเกตกะอยู่แล้วเห็นขวดเหล้าทีไรก็ทุบมันทิ้งไปเลยเห็นบุหรี่ก็โยนใส่ถังขยะไปเลยแสดงว่ามีภาวนาไมยปัญญาปัญญาที่หยุด ความอยากได้เรียกว่าันนาภาวนามัยปัญญาเราต้องตต่เต้าจากขั้นแรกต้องเรียนก่อนต้องฟังจากคนอื่นก่อนว่าอะไรไม่ดีควรจะหยุดอะไรควรไม่ทำอะไรพระเจ้าบอกให้หยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากหยุดการมโนทันหามภาวะทันหาวิภาวะทันหาหยุดทาบาปให้ทำบุญ ถ้ายังทำเหล่านี้ไม่ได้สแสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีกําลัง mm. เวลาจะทำบุญกิเลสมันบอกอย่าทำก็เลยเชื่อมันเลยเอาไปซื้อกระเป๋านี่กว่า mm. สแสดงว่าไม่มีสติ mm. หยุดกิเลสหยุดความอยาก mm. แต่ถ้าเรามีสติแล้วมีปัญญา mm. ปัญญาก็คือพูะเจ้าบอกให้ทำบุญดีกลับไปซื้อกระเป๋า mm. พ อ, พอ ตัดสินใจจะเอาไหนดีจะทําบุญนี้ซื้อกระเผ๋าดีถ้ามีสติมีปัญญาก็ทําบุญดีกว่ากรเผาว่าไปในโลกทิพย์ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวตายไปเอากระเป๋าไ้ไปไม่ได้นะเอาบุญไปได้บุญนี้เป็นเงินในโลกทิพย์บุญก็เป็นเหมือนเงินดอลลาร์ในประเทศไทยเวลาเอาต่างประเทศนี่ ใช้เงินไทยกับเงินดอลลาร์ในสะดวกกว่ากันเออดอลาดอลาร์ซื้อได้ไปซื้ออะไรก็ซื้อได้เงินไทยนี่ยังต้องไปหาที่แรกก่อนนี่แหละคือเรื่องของปัญญาความรู้เรามีกันแล้วแต่ยังไม่รู้ถึงระดับที่จะหยุดกิเลสได้เพราะหนึ่งเราลืมพอได้ยินได้ฟังแล้วพอออกจากที่นี่ไปก็ลืมแล้ว ถ้าจะไม่ให้ลืมก็ต้องมาคิดบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเหมือนสมัยที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมเวลาเรียนอยู่ในห้องเรียนครูบอกให้เรียนอะไรพอกลับมาแล้วยังต้องทําการบ้านต่ออี<ม>ต้องมาคิดอยู่เรื่อ ย, อย<ม>ให้ท่องสูตรคูณสมัยก่อนยังเรียนสูตรคูณกันอยู่ว<ม>่ะอถ้าไม่ท่องสูตรคูณเดี๋ยวเวลาจะสอบก็สอบไม่ได้<ม>ก็ต้องส่องสูตรคูณกัน ความรู้ที่พระเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเราก็ต้องเอามาเอามาคิดเอามาคิดอยู่เรื่อยๆถ้าคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่จะเวลาที่จะทำเราก็จะหยุดมันได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็เราก็สแสดงว่ายังไม่มีสติก็เป็นจินตามัจจปัญญารู้ว่าควรจะควรจะหยุดแต่หยุดไม่ได้ รู้ว่าต้องเลิกดื่มสุราก็ยังเลิกไม่ได้รู้ว่าต้องเลิกช้อปปิ้งแล้วก็ยังเลิกไม่ได้สแสดงว่าไม่มีกำลัง<ม>ก็ต้องไปสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วสติก็จะหยุดความอยากได้อยากจะชอปก็หยุดได้<ม>อยากจะดื่มสุรา<ม>ก็หยุดได้อยากจะสูบบุหรี่ก็หยุดได้ถ้ามีปัญญาบอกว่าทำาหําทำสิ่งเหล่านี้ไม่ดี ทำแล้วจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโทษไม่เป็นไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์กับเราถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าปัญญาของเราเป็นภาวนามยะปัญญาคือหนึ่งไม่ลืมสองมีกำลังที่จะหยุดกิเลสได้มีสติถ้าไม่ลืมแต่หยุดกิเลสไม่ได้รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีไม่ควรกินแต่ก็ยังอดไม่ได้หยุดไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติ ไม่มีภาวนาต้องไปภาวนาไปเจริญสติเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิพอได้อปปนาสมาธิแล้วทีนี้พอปัญญาบอกว่าอย่าเดินสุราเห็นสุราก็ทุบมันทิ้งเลยเออมันก็จะทําได้อย่างง่ายได้อย่าซื้อกระเป๋าถ้ายังกระเป๋าใบเก่ายังใช้ได้อยู่ยังไม่ต้องไปซื้อมันอย่าไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ถ้ารองเท้าคู่เก่ายังใช้ได้อยู่ เอาเงินไปทำบุญแทนถ้าอยากจะใช้เงินก็เอาเงินไปทำบุญแทนได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าแล้วเ อ, เอาติดตัวไปได้เอาไปใช้ในโลกทิพย์ต่อได้นี่คือสิ่งที่เราไม่มีกันตอนนี้ก็คือไม่มีการปฏิบัติมีแต่ปัญญามีแต่ความรู้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้กิเลส รู้ตายรักรู้อนิจจังทุกขังอนะัตตารู้หมดแต่หยุดกิเลสไม่ได้ห้ามกิเลสไม่ได้เผืนความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรกเราต้องมาติดเบรกให้กับใจเราเบรกก็คือสติเนี่ยต้องหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้แสดงว่าเรา ม, มีเบรกเช่นตัวตอนนี้นั่งเฉยๆสักห้า น, นาทีไม่ต้องคิดอะไรดูนั่งได้ไหมให้รู้เฉยๆ ถ้าถ้ารู้เฉยๆไม่ได้ยังคิดนู่นคิดนี่อยู่แสดงว่าไม่ไ ม, มีสติถ้ามีสติให้รู้เฉยๆก็รู้ไปดูลมไปสบายดูลมไปอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้เวลาเกิดความอยากเราก็หยุดมันได้เวลาเกิดความโลภ ก, ก็หยุดมันได้ ถ้ามีปัญญาก็จะไม่โลภไม่อยากเลยเพราะจะรู้ก่อนวนะ่าสิ่งที่เราอยากมันทุกข์ถ้ายังโลภอยู่แสดงว่าปัญญายังมีไม่พอลืมไปหมดละลืมปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์แต่พอเห็นปุ๊บอยากได้ขึ้นมาอยากจะได้ทุกข์กันเลยที่อยากนี่อยากได้ทุกข์แล้วอยากได้สุขกันพเพราะคิดว่ามาันสุขใช่ไห แล้วพระ พ, พ, พุทธเจ้าเคยบอกหรือเปล่าว่ามีอะไรในโลกนี้ที่มันเป็นสุขบ้างไม่มีแต่จำไม่ได้เลยหมดเลย <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างอันนี้จังทุกขังนะตาทุกอย่างเป็นทุกขทุกพ่อไม่เที่ยงทุกพ่อไม่ใช่เป็นของเราแค่นี้จําไม่ได้สามตัวนี้พอให้อะไรขึ้นมาอยากเลยเห็นกระดาษสีแดงๆสีเขียวเขียวก็อยากได้ลนะ ท, ทั้งทั้งที่เป็นกระดาษเท่านั้นเอง แม้ไม่ได้เป็นของเรายังอดที่จะหยิบขึ้นมาไม่ได้เช่นเงินเห็นันเงินใครตกไว้ก็ยังอดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรถ้าเก็บไว้ใช้ก็เหมือนกับขโมยของเขาไปหาเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเจ้าข อ, ของเขาอยู่ที่ไหนแต่จะวางไว้เฉยๆก็วางไว้ไม่ได้มันก็แค่เป็นกระดาษเท่านั้นเองนะแต่เราไปเห็นว่ามันสุกนะกระดาษชนิดนี้ทําให้เราสุขเพราะทําให้เราอ่ทําอะไร เราทำให้เราเกิดความสุขปลอมได้ชั่วครา ว, วาจริงมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขแท้สุขเดียวยวสุขแล้วเดี๋ยวพอหายไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจำ ไ, ไม่ได้ทุกอย่างมันทุกข์ถ้ายังอยากได้นู่นนั่นได้นี่อยู่แสดงว่าหลงยังยังหลงอยู่พอหลงมันก็เลยทำให้โลภอยากได้ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เป็นไงเสียใจหมน้อยใจหม โกรธไหมหงุ่ยจิตไหมสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองโดยไม่รู้สึกตัวถ้าไม่มีความอยากเราจะน้อยใจไม่จะเสียใจนะถ้ารู้ว่ามันเป็นทุกข์จะอยากได้อพยายามใช้ปัญญาตัวนี้คิดเสมอว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ลาบยศสารเสรยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขปลอมสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เห็นเหยื่อแล้วโอ้โหอาหารอันโอชะพอหุบเข้าไปแล้วเป็นไงถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอันนั่นแหละจำไว้ดีทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขความสุขที่จะจับเราให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์ในกองทุกข์ของความอยากอยากแล้วใจดิ้นแล้อยู่ไม่เป็นสุขะ เนี่ยต้องเอาไปคิดบ่อยๆมันจะได้ไม่ลืมแล้วก็ต้องไปเจริญสติต้องทาสองอย่างหนึ่งได้ยินได้ฟังทมแล้วก็ต้องเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเนื่องเรียวกว่ากินตาไมยะปัญญาแล้วก็ต้องภาวนาพุทโธพุทโธต้องทําใจให้สงบสลับกันทําได้สองอย่างเวลาไม่เจริญปัญญาเราก็นั่งสมาธิเวลาเราเจริญปัญญาเราก็ไม่ต้องนั่งสมาธิสลับทากันไป หรือถ้าตอนต้นจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็ได้เช่นถ้ายังไม่มีสติก็ทุ่มเทไปกับการสร้างสติก่อนก็ได้เอาสติไปแล้วก็อาจจะมีเวลาแบ่งเวลาให้มาคิดถึงอันนี้จังทุกขงังอานาตตาบ้างเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็พยายามทำสติให้ได้ก่อนเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนพอมีกําลังแล้วทีนี้ ปัญญาที่เราจำได้มันก็จะทำให้เราหยุดความโลภความอยากต่างๆได้พอเห็นอะไรมันจะเห็นว่าเป็นทุกข์ไปหมดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นทุกข์เห็นเงินทองก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่ถาวรทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่เวลาหมดก็ไม่ไม่สบายใจกันคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะได้ไม่ลืม แล้วก็ฝึกสติให้มีกำลังหยุดเวลาหลงไปอยากได้อะไรก็ต้องหยุดมันให้ได้แต่ถ้ามีปัญญาก็อาจจะไม่ถึงขั้นโลภขั้นอยากก็ได้ถ้ามีปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเป็นทุกข์มันก็จะไม่อยากจะไปได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรถ้าเป็นปัญญาระดับนั้นแล้วก็ความอยากก็เกิดไม่ได้ความโลภ ก, ก็เกิดไม่ได้ อาแล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแต่เวลาสำหรับช่วงแรกนี้จะอนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุรินติสากลังเอวเมวะอิตโตชินางเปตานาังอุปกาปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุ สัพเพปเตุสัง a ปะจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตะวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาคนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลาง